แล้วก็ขออนุโมทนากับพวกเราเนี่ยที่ได้ตั้งใจในการฟังพระธรรมในครั้งที่แล้วก็พูดในเรื่องของมหาปรินิพานสูตรก็ยังไม่จบก็จะขอท้าความในครั้งที่แล้วที่พูดถึงในเรื่องของคำตอนที่พระบรมศาสดาเนี่ยตอนที่มารมาทูลให้ปรินิพานในครั้งนั้นที่บอกว่าท่านพระอานหลีกไปไม่นาน มารผู้มีบาปก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วก็กราบทูลว่าถ้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคแล้วและพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เคยตรัสว่าดูก่อนมารผู้มีบาปถ้าภิกษุ พิกุลีอุบาสกและอุบาสิกาผู้เป็นสาวกสาวิกาของเราจะไม่ฉลาดไม่ได้รับแนะนํายังไม่แกล้วกลา้าไม่เป็นพระหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติทำตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนจากบอกจากแสดงจากบัญญัติจักแต่งตั้งจากเปิดเผยจากจำแนกจากทาให้ตื้น จากแสดงธรรมมีปฏิหารข่มขีปร ะ, ประวัตทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยธรรมดูก่อนมานผู้มีบาปเราจักไม่ปฏินิพพานเทียงนั้นแล้วมานก็มาทวงบอกว่าบัดนี้เนี่ยภิกษุภิกษุณวบาสกุบัยสิกาผู้เป็นสาวกเนี่ยสาวิกาของพระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดได้รับการแนะนำเป็นผู้กล้าเป็นปหูสูตรแล้วมั้ง แต่ตรงนี้ถ้ามาวิเคราะห์ตามคําสอนเนี่ยเราดูตรงที่มาณเนี่ยมารผู้มีบาปเนี่ยนยมาลาธนาพระพุทธเจ้าให้ปรินิพพานก็คืออย่าไปรับผิดชอบศ า, าสนาใช่ไหมคือเมื่อตัดสรู้แล้วอย่าไปรับผิดชอบอะไรใช่ไหม ก, ก็ปรินิพพานไปเสียทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้ พระเจ้าบอกไม่ได้เรายังจักไม่ปรินิพานตราบเมื่อภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นสาวกสาวิกาของเราเนี่ยแท้จักยังไม่ฉลาดไม่ได้รับการแนะนําและยังไม่กล้าและยังไม่เป็นพระหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติธรรมตามธรรมเรียนกับอาจารย์จักบอกจักแสดงจักบัญญัติจักแต่งตั้งจักเปิดเผยจักจำแนก และจกทำไม่ตื้นอีกข้อหนึ่งว่าจากแสดงธรรมมีปฏิหารข่มขีปรปปาวธาไอคำว่าปรัปวาวะในที่นี้คือว่าสามารถที่จะชี้แจงได้ว่าออศาสนาเนี่ยมันคืออะไรถ้ามีคนมากล่าวตูใช่กล่าวสิ่งที่มันไม่ใช่คำสอนขึ้นมาเนี่ยสาวกของเราถ้ายังไม่แกล้งกล้ า, ลายังไม่ฉลาดยังไม่สามารถที่จะกล่าวแนะนาหรือว่าปรับ วาทะหรือแก้วาทะของท่านเหล่านั้นเนี่ยเราจะไม่ปรินิพานตราบนั้นทีนี้ตอนเนี้ยมารมาทูลอาลัตนาพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้ายอมปรินิพานเนี่ยพระพุทธเจ้าไว้ใจสาวกว่าตอนนี้สาวกของเราเนี่ยแกล้วกล้าแล้วอาถรรพ์แล้วแล้วก็เป็นประหูสูตรทรงธทรำรแล้วก็เป็นผู้ฉลาดได้รับการแนะนําแล้วสามารถจักแสดงจักบัญญัติและจักแต่งตั้งจักเปิดเผยจักจําแนก และจัดทำให้ตื่นได้คือทำของลึกให้ตื่นได้ทำของยากให้มันง่ายได้คืออธิบายให้เข้าใจได้ทีนี้อย่างยกตัวอย่างในปัจจุบันยังไม่ว่าภัยที่มันเข้ามาคนที่ไม่เข้าใจศาสนาแต่ว่าพูดเรื่องศาสนาเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหาขึ้นเป็นปัญหาก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเรื่องพระเขาบอกว่าพระเนี่ยไม่ควรจะไปจะไปออกไปแสดงความคิดเห็นต่างๆตรงนั้นที่จริง ที่จริงถ้ามองจริงๆพระก็ไม่ควรหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงปรองประชนมายดสังขารแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ทรงแสดงเหตุแผ่นดินไหวแปดครั้งนะก็คือแผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนน้าน้ําตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศสมัยที่ลมใหญ่คลาสย่อมทําน้ําไม่ไหวข้นน้ําไหวแล้วก็ทําให้แผ่นดินไหวนั่นประการแรกประการที่สองก็คือสมมนา ห, หรือพราหมผู้มีฤทธิ์ชนานาญทางจิต หรือเทวดาผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็เจริญปฐวีสัญญาเล็กน้อยเจริญอภโรสัญญามากก็เป็นเหตุให้แผ่นดินไหวได้นั่นเงประการที่สามพระโพธิสัตว์เคลื่อนจากดุสิตมีสติสำประชัญญ่กล้าลงสู่พระครันของมารดาประการที่สี่พระโพธิสัตว์มีสติสมปชัญยประสูตรจากพระคั์ของมารดาประการที่ห้าพระธรรคตัสสรุนุตตะสัมมาสัมโพธียานประการที่หก ถ้ตาตถาคตแสดงธรรมจักกันยอดเยี่ยมไม่เป็นไปประการที่เจ็ดก็คือ mm hmm. เมื่อตถ า, าคตมีสติสัมปชัญญะทรงปรุงพระชนมายุสังขารอย่างที่สักครู่ประการที่แปดก็คือว่าผู้ทธเจ้าจักเสด็จดับขันธะปินิพานท่านพระนนอนุนกําหนดรู้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าทรงปรงพระชนอายุสังขารแล้วพระผู้วิภาก์เจ้าทรงทราบว่าอนุนรู้แล้วก็ไม่ทรงประทานโอกาสให้สักถามแล้วก็แสดงธรรมต่อไป ก็คือท่านบ้าโ น, นนเนี่ยพอทราบข่าวว่าแผ่นดินไหวเนี่ยน่าอัศจรรย์ไม่เคยมาเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพระเจ้าก็เลยตรัสเหตุแผ่นดินไหวเพราตรัสเหตุแผ่นดินไหวจบท่านบ้านนนก็ทราบทันทีว่าตอนนี้พระบรมศา ส, าสดาทรงปรองพชนมายุสังขารคําว่าปรองพระจนมายุสังขารก็บอกว่าอีกต่อ น, นี้ไปอีกประมาณสิเดือนเนี่ยจากบรินิพพานนี่จากนั้นพระองค์ก็ทรงสแสดงบริษัทแปดแก่ท่านพ้านนน โดยทรงเล่าว่าพระองค์เข้าไปหาคัติยาบริษัทธรามณ์ ita, บริษัทแล้วก็ขหปติบริษัทสมณบริษัทจตุมหาราชิกะบริษัทดาวดึงสะบริษัทมารบริษัทพรบริษัทแล้วก็ปาสายกันบอกว่าวันนาของพวกนั้นเป็นเช่นใดของเราเป็นเช่นนั้นเสียงของพวกนั้นเป็นเช่นใดของเราเป็นเช่นนั้นเราให้พวกนั้นเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ล่าเริองด้วยธรรมีกถาแล้วก็หายวับปะ พวกนั้นก็ไม่รู้จากเราว่าผู้นี้ใครหนอพูดอยู่จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ใครหนอเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ดังนี้เป็นต้นก็คือไม่รู้อัตถกาถาท่านขยายบอกว่าขัติยะบริษัทเช่นสมาคมของพระเจ้าพิมพิสารสมาคมพญาบและสมาคมของเจ้าฤาวีเป็นต้นอันนี้เขาเรียกขัติยะบริษัทก็คือบริษัทของพระมาหากษัตริย์ส่วนคําว่าสัลละปิตปผุพังก็ได้แก่เคยกระทําการสนทนาปลาัย สากศขาก็ได้แก่เคยร่วมแม้แต่การสนทนาธรรยาทิสโกโตเตสังวันโนก็บอกว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้น่ผิวขาวบ้างผิวดำบ้างผิวสองสีบ้างพระศาสดามีเฉวียนวันดังทองคําเวลาพระองค์บรมศาสดาไปสนทนาเนี่ยอุณติแปลงกายไปเนี่ยพวกนั้นก็ไม่ทราบท่านกล่าวอาศัยสวดรงแม้สวดรงของสมณพราหมณ์เหล่านั้นปรากฏเพียงอย่างเดียวเท่านั้นส่วนพระภูมิภาคเจ้าไม่เหมือนชน ชาติมิระะักะาแล้วก็ไม่ทรงสวมมันมีกุลทนประดับพระพุทธเจ้าก็ไปโดยเพศของพุทธเจ้าทีนี้สามณญนาพรามเหล่านั้นน่ะมีเสียงขาดบ้างเสียงดังบ้างมีเสียงเหมือนกาบ้างส่วนพระพุทธเจ้านั้นมีเสียงเหมือนพรหมเท่านั้นทา่นานก็ต้องการยกย่องว่าคนโดยทั่วทั่วไปเนี่ยเสียงจะไม่เหมือนกันบางคนก็เสียงเพราะต้องมีอยู่คนนึงนะตัวใหญ่แต่เสียงเล็ก ตัวหใหญ่น้ำหนักร้อยกว่ากิกโลนี่นะแต่พูดมาเสียงเหมือนผู้หญิงนี่เป็นผู้ชายเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสียงเหมือนพรหมเสียงฟังและรอะถ้าถามบอกว่าพราะองค์แสดงธรรมแก่ชนเหล่านั้นผู้ไม่รู้อย่างนี้เพื่อประโยชน์อะไรก็ตอบบอกว่าต้องการจะอบรมจริงอยู่ก็คือว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ธรรมที่เขาฟังเนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่อนาคต นั้นเวลาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมไปกล่าวหรือไปอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อแสดงธรรมหน้าที่นั้นเนี่ยถึงแม้ณวันนั้นท่านเหล่านั้นไม่ได้ไประโยชน์แต่ว่าจะเป็นปัจจัยแก่อนาคตเขาเรียกว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่การที่จะแทงตลอดอริยสัตว์ในเบื้องหน้าบางคนอาจจะเป็นแสนๆปีถึงจะได้ตัดสรู้เนี่ยอย่างเราเนี่ยอาจจะเคยได้ฟงังไหม แต่ก็มีโอกาสเป็นอุปนิสัยแห่งการที่จะได้แต่จะรู้ในอนาคตได้อันนั้นคือพระพุทธเจ้าเห็นประโยชน์ตรงนั้นเบ็ดเสร็จแล้วก็แสดงทำให้บริษัททั้งแปดเขาเรียกบริษัททั้งแปดแปดนับยังไงหนึ่งคัติยาบริษัทสองพรหมบริษัทเ อ, อือ พ, มพมามขามานะบริษัทก็คือสามข้าหาปฏิบริษัทก็คือขาหาบดีคนมีอันจะกินสมณะบริษัทก็คือพวกสมณะจารุมหาลาชิกะบริษัท เทวดาชั้นจ่าตุงดาวดึงสาบบริษัทเทวดาชั้นดาวดึงมารบริษัทพวกมารนีะนะมารไลยมากก็อยู่ในชั้นของปานิมก็มีแล้วก็พรหมบริษัทนี่บริษัททั้งพรหมมีแปดนะบริษัททั้งแปดแล้วต่อมาพระองค์ก็ทรงนำบริษัททั้งแปดมาแสดงเพื่ออะไรก็ต่อเพื่อความเป็นผู้ไม่กลัวบริษัทเหล่านี้มาตรัสอย่างนี้ว่าอานนท์ ความกลัวและความกล้าไม่มีแล้วแก่ตถาคตผู้เข้าไปในบริษัททั้งแปดตถาคตเห็นมาแล้วก็ไม่กลัวไม่หวาดมีสติสัมปชัญญะป้อง อ, อายุสังขารแบบนี้คือพระพุทธเจ้าแสดงให้พาณนนย์ได้ทราบว่ามารมาลาธนาไม่ใช่พระพุทธเจ้ากลัวมารจึงรับอาลาธนาเพื่อจักบริณิพานพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าพราะองค์เนี่ยไปอยู่ในบริษัททั้งแปดไม่เคยกลัวใครเลย พราะพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยไม่มีโทสะแล้วคนที่กลัวคือคนนั้นมีโทสะเขาบอกว่าที่ภาคใต้เนี่ย mm hmm. เวลาเขาฆ่ากันเนี่ยไอ้พวกโจนปัตตนีเนี่ยที่มันไปฆ่าทหารเนี่ยเวลาฆ่าเสร็จเขาก็ยืนปัสสาวะเนี่ยรถแล้วก็ใช้เท้าเหยียบนะบางคน ก, ก็ตัดคอขาด เขาทําหน้าหวาเสียวหน้ากลัวมากคนทําทไมเขาทําอย่างนั้นมันเป็นแผนของเขาเขาต้องการให้ให้คนถูกหรือญาติหรือคนที่รู้ข่าวเนะี่ยเกิดความกลัวแต่ข่าวจริงๆเก็ไม่กล้าเปิดเผยทั้งๆที่มีรูปเหยียบเต็มหน้าเลยนะบางทีก็ตัดตัดคอขาดหรือบางคนเนะี่ยถ้าคนรวยทั้งหลายไปทํากิจการในภาคใต้เนี่ยก็จับไปเลยนะจับไป พอกลับมาเบ็ดเสร็จจะกลายเป็นคนละคนเลยกลายเป็นคนละคนในหนึ่งต้องไปส่งลูกเขาเรียนด้วยนะส่งลูกพวกเนี้ยพวกไอ อ, อุดมการแยกรินแดนเนี่ยถ้าไม่ส่งเนะี่ยมันรา่าล้างโทษเน่ยนั้นก็ต้องส่งจาใจบางคนต้องเอาลูกออกจากเรียนออกจากอะไรเยอะหมแหละเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เราคิดมันน่ากลัวเกินนั้นแต่ถ้าหากอย่างนี้นะถ้าพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยพระเจ้าไม่กลัว พุทเจบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจกไม่ปรินิพานด้วยความพยายามของบุคคลอื่นใช่หหรืออย่างท่า อ, อย่างระดับพระโมคคัลลานาภาษาลีบุตรเป็นต้นเหล่านี้ยถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ท่านไม่กลัวแต่ยุคเนี้ยพระไม่แก้วกล้าเหมือนยุค ก, ก่อนไปไม่ดเหมือนก่อนมีพระมามองค์ถ า, ถามว่า เราไปอยู่มาได้อาทิตย์เดียวต้องรีบเพ่นกับเขาให้เดือนละเจ็ดพันไม่กล้าอยู่เลยกวกเดี๋ยวนี้พรไปอยู่ภาคใต้เขาจ้างเลยนะน่าสนใจงี้ยเดือนเจ็ดพสนใจไหมเลิกเกยบผ้าเลยเดือนละเจ็ดพันให้ไปอยู่ในวดัดไม่ปลอดภยอยัยต่อม า, าพระภูมิภาคจ้าก็แสดงอภิพายตะนาแป อภิพาญตะนะทั้งแปดประการเขาแปลว่าเหตุครอบงามครอบงามธรรมที่เป็นค่าศึกบ้างอารมณ์บ้างนะก็มีอยู่แปดประการผู้หนึ่งมีความสําคัญในรูปภายในเห็นรูปภายนอกที่เล็กที่มีผิวพันธุ์ดีและมีผิวพันธุ์สามเขาครอบงามรูปเหล่านั้นแล้วมีความสําคัญว่าเรารู้เราเห็นนี่ประการแรกประการที่สองผู้หนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกใหญ่มีผิวพันธุ์ดีและมีผิวพันธุ์สามเขาครอบงามรูปเหล่านั้นแล้วมีความสําคัญว่าเรารู้เราเห็นนิปาการที่สองประการที่สามผู้หนึ่งมีความสําคัญในรูปเอในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกที่เล็กมีผิวพันธุ์ดีและมีผิวพันธุ์สามเขาครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วมีความสําคัญว่าเรารู้แล้วก็เราเห็นประการที่สี่ผู้หนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ใหญ่ที่ผิวพันธุ์ดีและผิวพันสามเขาครอบงามรูปเรานั้นแล้วมีความสำคัญว่าเรารู้แล้วก็เราเห็นประการที่ห้าผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกสีเขียวสีเขียวแสงเขียวรัศมีเขียวดอกผักตบเขียวสีเขียวแสงเขียวมีรัศมีเขียวเขาครอบงมรูปเรานั้นแล้วมีความสาคัญว่าเรารู้เราเห็นประการที่หก ผู้หนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกเหลืองสีเหลืองแสงเหลืองรัศมีเหลืองดอกผักตบก็เหลืองเนี่ยสีเหลืองแสงเหลืองรัศมีเหลืองครอบงํารูปเหล่านั้นแล้วมีความสําคัญว่าเรารู้เราเห็นประการที่เจ็ดผู้หนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายในเป็นผู้เห็นรูปภายนอกแดงสีแดงแสงแดงรัศมีแดงดอกผักตบก็แดงสีแดงแสงแดงแล้วก็มีรัศมีแดง เขาครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วก็มีความสําคัญว่าเรารู้เราเห็นประการสุดท้ายผู้หนึ่งมีความสําคัญในรูปภายในเห็นรูปภายนอกสีขาวแสงก็ขาวรัศมีก็ขาวดอกผักตบก็ขาวสีขาวแสงขาวรัศมีขาวเขาครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วก็สําคัญว่าเรารู้เราเห็นนี่เป็นอย่างงี้นะคําว่าอภิพายตนะเนี่ยเขาแปลว่าเหตุคร อ, อบงำครอบงามอะไรครอบงำธรรมที่เป็นข่าศึกหรือครอบ งามอารมณ์เนี่ยความจริงเหตุเหล่านั้นเนี่ยย่อมค้องงามธรรมที่เป็นค่าศึกเพราะว่าเป็นปฏิปักอารมณ์และเป็นบุคคลที่ยิ่งด้วยอย่างอภิพายตนะแปดเนี่ยเป็นการกล่าวถึงอะไรกล่าวถึงการเจริญสมาบัติสมาบัติก็มีบริรมัญญ า, า, าตุทิยอาจารตติยอาจารยตุตติอาจารจนถึงอรูปฌานเป็นต้นเหล่านี้ยนะฉะนั้นอภิพายตนะทั้งแปดเหล่านี้ก็คือการเข้าสมาบัติเนี่ยบางกลุ่มก็เข้าแล้วก็เห็นสีใช่ไหม อาจจะเข้าสีแดงสีขาวสีเขีเขยวสีเหลืองอะไรก็แล้วแต่ก็คือเขอบกลุ่มวันหน้ากะสินเนี่ยการครอบงําระหว่างกสินด้วยกันด้วยอภิอภิพายทั้งทั้งแปดนี่เป็นการกล่าวถึงการจ ะ, จะเจริญสมาบัติก็โดยมีกระสินชนิดต่างๆเป็นอารมณ์เนี่ยใช้กระสินครอบงำอารมณ์ต่างๆก็แปลว่าใช้สีเหลืองอ่ะปีตะกะสินโลหิตะกะสินโอทาตะกะสินวันหน้ากระสินต่างๆเนี่ย ปะทวีกสินโ ป, โปกสินกสินน้ากรสินไฟกสินดินเป็นต้นเหล่า น, น, นี้นะการเข้ากสินเหล่านั้นก็ครอบนำ น, นี่เขาเรียกอภิพายสนะถ้ำท่านนํามาแสดงเพื่อแสดงความเป็นผู้ไม่กลัวเมื่อตัดแล้วพระ อ, องค์ได้ตัดกับพระอนุนว่าอา น, นุนความกลัวหรือความกล้าไม่มีแก่ตถาคตผู้กําลังเข้าสมาบัตเหล่านี้และกําลังออกใครเล่าจะเกิด ความเข้าใจอย่างนี้ตาถาคตเห็นมารผู้เดียวพึงกลัวอนนท์ตถาคดไม่กลัวไม่ขาดมีสติสัชัญญาปรองอายุสังขารแล้วพุทธเจ้าบอกแก่นนท์ว่าจริงๆพระพุทธเจ้าน่ยมีอภิพาญาตนาทั้งแปดสามารถเข้ากระสินได้ทุกกระสินแค่นั้นมารเนี่ยมาแสดงอะไรต่างๆให้กตาถาคตดูนะตถาคตไม่มีความรู้สึกดูเพราะตถาคตลากกิเลสที่เป็นเหตุแห่งความกลัวได้หมดแล้ว ไม่มีนะพระพุทธเจ้าไปนั่งในที่ไหนขนลุกเนี่ยไม่มีอย่างเรายังเยอะเลยใช่ไหมเวลาไปในที่ตรงไหนเนี่ยเกิดมีอาการนิดนิดหน่อยๆขนก็นลุกสู้ขึ้นมาอันนี้บง่งบอกเลยว่ากลัวแล้วก็ตรัสวิโมกขแปดบอกว่าดูก่อนานะน์วิโมกขแปดอย่างก็คือหนึ่งภิกษุมีรูปย่อมเห็นรูปสองภิกษุมีความสําคัญในอรูปภายในย่อมเห็นรูปภายนอกสามภิกษุน้อมใจไปว่านี้งาม สี่เมื่อร่วมรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงดับปะคะปฏิฆาสัญญาไม่กระทํานานัตตาสัญญาไว้ในใจภิสูจเข้าถึงอากาสานัณจายตนะว่าอากาศไม่มีที่ซึ้งตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะเจริญอากาสาณจายตนาคนที่จะเจริญอากาสาณจายตนะได้จะต้องได้ปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานและเจะตุทะฌานคือได้รูปฌานแล้วแล้วก็ทิ้งรูปไปเอาอากาศมันเป็นอารมณ์ นี่เขาเรียกว่าอากาสารัญจายาตนะแล้วต่อมาก็เข้าถึงวิญญาณัญจาญตนะมีวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดคําว่าวิญญาณัญจายาตนะนี่นะชานที่ชานที่หกเออชานที่สองของอารมณเนี่ยในขณะที่เข้าอารมณที่สองเนี่ยก็จะไปมีตัววิญญาณมีอากาสารัญญายาตนะนั้นเป็นอารมณ์แล้วก็ล่วงอากินจัญญายาตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึง เนวสัญญาณะสัญญ า, า, ญญายาตนะอันนี้ได้อารูปฌานชั้นสูงสุดถ้าล่วงเนวสัญญาณะสัญญ า, า, ญญายาตนะก็เข้าสัญญาเวทยิสตานิโรธอันนี้ก็คือพระองค์ทรงเข้านิโรธาสมาบัติเด่นการจะเข้านิโรธาสมาบัติเข้าเข้ายังไงพระพุทธเจ้าจะเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานก็มาเจริญวิปัสสนาแล้วก็กลับไปเข้าฌานที่สองคือทุติยฌานออกจากทุติยฌานก็มาเจริญวิปัสสนาเป็นไปลักษณะควบคู่กันอย่างเนี้ย ไปจนถึงเข้าอากินจัญญายาตนะออกจากอากินจัญญาญาตนะมาก็มาอธิษฐานพราอธิษฐานว่าอัตถาบริขารของตนเองเป็นต้นให้อยู่ปลอดภัยตลอดถึงชีวิตต้องการจะเข้าสมาบัติเจ็ดวันเนี้ยแล้วก็เข้าเนวาสัญญานาสัญญายาตนะเพราะออกจากเนวสญญ า, าสัญญานาสัญญาญนะสองขณะก็ดับขันก็ดับจิตเจติตแล้วก็จิตตะชโรอันนี้เขาเรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโร พระผู้มีพระเจ้าตรัสถึงสมัยแรกก่อนตัดสรู้นะประทับนั่งที่อัจ ช, ชาปาและนิโคดริมฝั่งแม่น้ําเนลันชลาตอนนั้นก็เล่าให้ท่านพระอนนท์ฟังเล่าให้ภิกษุสงฆ์ฟังตอนนั้นพระผู้มีภาคเจ้าประทับอยู่ที่อัชชาปาและิโคดริมฝั่งแม่น้ําเนลัญเชลาที่อุรุเวลาเสนาประเทศเคยไปมาแล้วใช่ไหมมารผู้มีบาปเนี่ยก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระเจากราบทูลให้พระองค์ประนิเนภาน แต่พระองคอ์มีพระดาหลักปฏิเสธคำทูลของมารแล้วก็ตรัสว่าพุทธบริษัทสี่ของพระองค์ยังไม่สมบูรณ์กว้างขวางมั่นคงเป็นปึกแผ่นจักยังไม่ปรินิพานพระเจ้าอานนว์วันนี้เดี๋ยวนี้แหละมารผู้มีบาปเข้ามาหาเราที่ปาวานและเจดีกราบทูลให้ปรินิพานเราแต่ถาคตได้กล่าวกับมารว่าท่านจงมีความขวนขวายน้อยเถิด จากนี้ล่วงไปสามเดือนตถาคตจักปาริณิพา น, นอานนท์ในวันนี้ตถาคตมีสติสัมปชัญญะปรองอายุสังขารที่ปาวาลเกดีแล้วเอถ้าเราทําได้อย่างไงก็จเจ๋อเลยเนี่มมนเมถ้าใกล้จะตายสักเดือนหนึ่งแล้วก็ยิ้มแย้มเลยเออน้าป้าแม่แล้วก็ว่าไปจะอีกเดือนหนึ่งจะตายแล้วเ <c oughs> นี่กาพูดได้ย่างนี้ หมอก็บอกไม่รอดน้ำตาซึมเลยเลยนะียวนี้ยิ้มได้คำเดียวต่อมาน้ำตาซึมเพราะว่ามองโอ้โหเราจะต้องจากทุกอย่างเลยใช่หัหยต้องจากไม่ได้กลับมาดูอีกแล้วนี่แค่จะจากบ้านหลังเดียวแคนะ่นั้นหนึ่งหูมองแล้วมองอีกมีบ้านนี่ทุกัหมถ้าไม่มีแล้วจะมีสม่งก็เอน คนบางคนเคยอยู่ดีมีสุขแล้วจะต้องไปละเหยเล่ร่อนต้องไม่มีกลับบ้านไม่ได้เนี่ยเขาคงทุกข์หน้าโดนกันแน่นะต้องทุกเพราะว่าโอ้แต่ก่อนเคยทําอะไรได้เคยอะไรนื่นอึดอัดแล้วก็ทรมานฉะนั้นไ้บว่าต้องรีบสละก่อนที่จะถูกบังคับให้สละ <c oughs> ใจต้องรีบสละเข้าไว้ซะนะทุกอย่างนะแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องบอกใครเยอะนะ เดี๋ยวเขาจะยึดแทนโดยบอกแล้วก็คือต้องให้คิดทุกวันเนี่ยคิดไปบ่อยยอมที่ป่วยเ ย, ยอมมาลีเนี่ยแกบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปป่วยอยู่กรุงเทพบอกคิดถึงแต่บ้านตอนไหนบอกว่าแต่ก่อนมองดูว่านี่ก็ไม่ใช่ของเราแกบอกว่าอดไม่ได้อดยึดไม่ได้อเพราะฉะนันะน้นเวลามองดูก็จะมันมองทุกครั้งเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ปรองทุกครั้งนะ นั้นวิธีคิดก็คือว่าคนที่เขาปรงหรือว่าเขาอะไรได้เนี่ยคือเขามองอะไรทุกครั้งเนี่ยเขาก็คิดโปร่งทุกครั้งเพราะถ้าหากว่าเรามองแล้วมไม่ตามไปด้วยว่ามันไม่ใช่ของเรานเนี่ยเนี่ยมันจะตามมาด้วยนี่ของเราคือมันก็จะยึดทุกครั้งใช่ไหมนี่ปริมาณของความยึดมันหนาแ น, น่นมากหนาแ น, น่นจนเป็นความเยคยชินว่าเออเป็นของเราหมดเลยทุกตารางนิ้วแต่ถ้ายึดว่าเออเนี่ย เขาไม่จากเราเราก็จากเขานเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นสมบัติผัดกันชมจริงๆเนาะอะไรเงี้ยพยายามตรึกลักษณะตามคำสอนเนี่ยนะในะข้าวเนี้ยมันมั น, ม, นมันไม่ค่อยเยอะเวลาออกแกไปที่ตรงนั้นก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าไม่คิดอย่างนั้นนะมันแอบเยอดเรื่อยเลยเนี่ยไม่ว่าอะไรต่างๆแค่ขยับของแค่นั้น น, นนะเนี่เราวางแว่ตรงใครมาขยับของอปเราแบบแค่นี้ก็โอ้มมีปัญหาเยอะแล้วคิดว่าเยอะๆไหมเยอะอะไรใชไหม มันเยอะๆเนะจริงๆเลเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่าขอพระผู้มีพภาคเจ้าทรงดํารงอยู่ตลอดกับเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์พระองค์ก็ตรัสว่าอย่าเลยอนนท์อย่าวิงวอนตถาคตเลยบัดนี้ไม่ใช่เวลาที่จะวิงวอนแม้พระองงนนท์จะทูลวิงวอนถึงสามครั้งก็หาสําเร็จไม่พระองค์กลับรีบรับสั่งถามว่า เธอเชื่อการตัดจารุของตถาคตหรือเธอจึงเชื่อว่าตถาคตจะดำรงอยู่ได้ตลอดกับจริงตามบ้านผานนท์กเชื่อไหมผ้านนทก็บอเชื่อพระเจ้าค่าเพราะข้าพระ อ, อ, องค์ได้ฟังมาเฉพาะพระภาคของพระผู้มีประภาคว่าผู้ใดเจริญกระทําให้มากในอิทธิบาทรสี่คือฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาย่อมดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับ พระผู้มีพภาพตรัสว่าอานนท์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นความทําไม่ดีเป็นความผิดพลาดของเธอผู้เดียวแม้พูดอย่างนี้ท่านว่านนจะดุ้งเลยนะเออเรื่องเนี้ยเป็นความทําไม่ดีเป็นความผิดพลาดของเธอผู้เดียวเพราะแม้จะถาคตทํานิมิตอันหยาบกระทาโอภาษ์อันหยาบ อ, อย่างนี้เธอก็ไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันได้ คือทำนิมิตให้รู้ทั้งหยาบๆด้วยนะไม่ใช่นิมิตแบบละเอียดจึงไม่ได้วิงวอนตถาคตว่าขอให้ดำรงอยู่ตลอดกับถ้าเธอวิงวอนตถาคตจะห้ามเธอเพียงสองครั้งเดียวนั้นครั้งที่สามตถาคตจะพึงรับเพราะเหตุนั้นอนนลเวลานี้เป็นการทําไม่ดีเป็นความผิดพลาดของเธอเูืเดียวแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนอานน์เราได้ทํานิมิตแก่เธอว่ากุงราชคลึกหน้าลื่นลม ภูเา ข, าขาคิชกูดก็น่าลื่นลมโคตมานิโครดก็น่าลื่นลมเหวีที่ทิ้งโจรก็น่าลื่นลมถ้ำสัตบัญญรติคูหาก็น่าลื่นลมข้างภูเขาเวภารบันพศก็น่าลื่นลมกาลศิลาก็น่าลื่นลมข้างภูเขาอิสิกิริก็น่าลื่นลมเงื้อมชื่อว่าสัปะโซนะทิกะสิทวันก็น่าลื่นลมตาโปธารามก็น่าลื่นลม เวรุวันกาลันทกะนิวาปาสถานก็น่าลืมล่มชีวะกะอัมพวันก็น่าลืมล่มแม้มัทกุชิมะลึกคาทายวันก็น่าลืมล่มรู้จักมัทธกุธชิไหมมัมัทะกุชิตัวนี้ก็แปลว่าที่ที่พันนางเวเทีที่เป็นพระมาเฮสีของพระจ้าพิมพิสารนะอ่า แกล้งตกลงจากม้าเอาท้องไปกระแทกกับ้อนหินตรงนั้นก็เรียกมัดมัดทากุดฉิคือต้องการให้ลูกที่อยู่ในท้องนั้นแท้งออกมาตอนที่ตั้งพันอาชาติสตูเพราะโหรก็ททานายบอกว่าเกิดมาจะทำปีโดคาาพระเจ้าพิมพิสารก็ให้อารักขาอย่างดีนะแต่นางก็กลัวพร้อแก้งขี่ม้าพราขี่ม้าเห็นก้อนหินก็ แกงตกลงมาใส่ก้อนหินเอาท้องกระแทกหินก็ไม่เป็นอะไรโอ้โหเจ้าอาจารยตูทนน่าดูเลยกรรมเนี่ยนะกรรมหล่อเลี้ยงให้ทนน่าดูอุเทนอุเทนเจดีก็น่ารื่นลมโคตมาเจดีก็น่ารื่นลมสัตตมพระเจดีก็น่ารื่นรมพระหูปุตตาเจดีก็น่ารื่นสารันธะเจดีก็น่ารื่นลมอิทิบาสีอันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้วทําให้มากแล้วผู้นั้นจํานงอยู่ดํารงอยู่ตลอดกลับหรือเกินกว่ากลับ ตถาคตทํานิมิตแล้วเธอไม่สามารถจะรู้เท่าทันได้จึงไม่ได้วิงวอนตถาคตเรื่องนี้เป็นการกระทําไม่ดีเป็นความผิดภลาดของเธอผู้เดียวไม่ใช่ทำในน้อยนะสิบหกครั้งนะน่าจะประมาณนะหลายแต่หลายครั้งหลายแต่หลายคราวที่พระพุทธเจ้าทํานิมิตโอภาษยับยบับเพื่อบ่งบอกให้รู้บอกว่าพระพุทธเจ้าสามารถอยู่ได้กับหรือเกินกับพระพุทธเจ้านนั้เจริญอิทธิบาทเพราะวนนั้น เราได้บอกก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆกันความพัดพราความเป็นอย่างอื่นจากสิ่งและบุคคลนั้นเป็นที่รักและที่ชอบใจทั้งหมดนั้นมีอยู่เพราะฉะนั้นจะหาความเที่ยงแท้ได้ในสิ่งและบุคคลนั้นแต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วปรุงแต่งแล้วมีความทำลายแล้วเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทาลายไปเลยนั้น ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ก็สิ่งใดที่ตถาคตสละแล้วคายแล้วพ้นแล้วละแล้ววางแล้วอายุสังขารของตถาคตปรงแล้ววาจาที่ตถาคตกล่าวแล้วโดยส่วนเดียวว่าไม่ช้าตถาคตจักปริณิพานจากนี้ล่วงไปสามเดือนตถาคตจักปริณิพานตถาคตกลับคืนสิ่งนั้นเพราะเหตุแห่งชีวิตอีกนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เห็นไหม คือพระพุทธเจ้าถ้าพูดแล้วเนี่ยถ้าคายแล้วถ้าปล่อยแล้วถ้าวางแล้วเนี่ยจะกลับมาแล้วไม่ใช่ฐานนะคือสังขารเนี่ยพระเจ้าอธิษฐานไว้นะทีนี้บอกว่าพอมานมา阿拉ธนาพระเจ้าก็มาพิจารณาดูบริษัทธสิเยกเข้มแข็งแล้วเนี่ยอ่าก้ า, าหารจับบอกกล่าวจักแสดงจักแก้ไขปรับปรัวาทะเป็นต้นได้ พิจารณาเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเหตุผลก็คือว่าทํางานสมบเร็จแล้วเนี่ยพอรับปรารถนาเบ็ดเสร็จนั้นก็ปร่งคําว่าโปรงแปลปว่าอะไรสละสละแล้วขายแล้วพ้นแล้วคือวางนั่นเองใช่ไหมโปล่งในที่นั้นก็คือวางมันเหมือนว่าแบกของบนบ่าแล้วก็วางแล้วขันทั้งห้าเป็นของหนักไหมเป็นของหนักในพระพุทธเจ้าบอกวางแล้ววางสัทีแบกมานาน ถาพิจารณาไปในสังสารวัสเนี่ยในระหว่างตั้งแต่เริ่มสร้างบา ร, รมีเนี่ยเสียสงขายิย่งรืยแสนกลับเนี่ยเที่ยวแบกขันห้าอันนี้ตลอนตลอนไปตามพบน้อยพบใหญ่ในการที่จะสร้างทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคกามะบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีวิรยิยะขันติสัจจะทิฏฐานนะเมตตาอุเบกขาเป็นต้นเหล่านี้นะทั้งอุปปา ร, รมีสิบปรมัตุปบารมีสิบอะ มหาปริจาค่ายห้าเนี่ยเที่ยวแบกขันห้าในการเข้าสู่พบน้อยพบใหญ่ในการสร้างบา ร, รมีน่ยเป็นความทุกข์เป็นความทรมานเป็นความสหัสสการอย่างมากฉะนั้นถ้ามองเข้าไปในอดีตมาแล้วเนี่ยมาย้อนโดยในปัจจุบันที่ปงลงพาราเน่ยเป็นความชื่นใจอย่างยิ่งรู้มั้อย่างเราท่านทั้งหลายใช่ไหมถ้าย้อนอดีตว่าแค่ลองระลึกชาติแต่สักห้าร้อยชาติเนี่โอ๊โหแล้วจะเจ็บปวดขนาดนะ เคยเป็นมาทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยนะเคยเป็นขี้ข้าเคยเป็นคนบ้าเคยเป็นคนสติไม่ดีเคยเป็นสุนัาเคยเป็นแมวเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเป็ดเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นบวกเคยเป็นมาหมดสมมุติเงี้ยแล้วก็จะต้องกลับไปเป็นนู้นเป็นนี้อีกต่อไปเนี่ยเป็นทุกชาติก็ต้องเนี่ยละหกละเหินแบกบริหารขันอยู่เนี่ยถ้าคิดอย่างเงี้ยมันเป็นภาระจริงเนี่ยมันอยากจะปลองอยากจะวางแต่ปลงได้ไหมวางได้ไหมตอนนี้ วางยังไม่ได้ทําไมมันยังไม่วางตันหาไม่ยอมวางใช่ไหมเพราะตันหามันยึดอยู่มันไม่ยอมวางมันจะวางไอ้สิ่งที่มันเก่าๆมันก็ไปยึดของใหม่อีกละขันนี้ไม่ดีมันก็สร้างขันใหม่ต่อไปงั้นถ้าพูดถึงพระเจ้าจริงๆได้แก่อะไรรู้ไหมตันหานี่แหละเป็นพระเจ้าเป็นตัวสร้างภพเลยฉะนั้นตันหาเป็นพระเจ้าเป็นตัวสร้างภพตันหาจึงควรบูชาหรือควรทําลายควรทําลาย ฉะนั้นจะบอกว่าพระเจ้าเนี่ควรควรบูชาหรือควรทำลายบอกควรทำลายก็ไม่ตัวผู้สร้างนี่ฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าอีกสามเดือนตะถาคตจักปรินิพานแล้วก็บอกบอกว่ามาเถิดอา น, นุ์เราจักไปยังกูตาคารสาลาป่ามหาวันเธอจงให้ภิกษุที่อาศัยอยู่ในกรุงเวสาลีทั้งหมดมาประชุมที่อุปถาอุปถานนาสาลาพรานนก็แจ้งให้ภิกษุงทั้งหลายทราบมาประชุมแล้ว ตรงนี้ก็ดูอัตถกถ า, าบอกว่าพระองค์ยกโทษพระเถระที่ไม่ได้อาราธนาเนี่ยให้ดำรงอยู่ขึ้นเพื่อต้องการให้บรรเทาวความโศกที่ตถาคตต้องปรินิพานเพราะต้องพระภากจากสัตว์และสังขารเครื่องใช้ต่างๆอันเป็นที่รักที่พอใจทั้งสิ้นฉะนั้นตถาคตบำเพ็ญบา ร, รมีสิบมาเนี่ยบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเนี่นะประกาศธรรมจักก็ดีแสดงยะมกปฏิหารก็ดีเนี่ยลงจากเทวโลก สรีละนั้นที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปแล้วเนี่ยผูกปรุงแต่งแล้วเนี่ยนะที่บอกว่าลงจากเทวโลกสรีระนั้นที่เกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วถูกปรุงแต่งแล้วเนี่ยมีความสลายไปเนี่ยเป็นธรรมดาของสลีระแม้ของพระตถาคตของพุทธเจ้าอย่าสลายไปเลยหนอนั้นก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ฉะนั้นทั้งผู้ร้องไห้ทั้งผู้ข้ามควรก็ไม่สามารถจะได้ฐานะอันนั้นพระพุทธเจ้าก็อธิบายให้ พอพูดอย่างนี้นะทิศสูสงทั้งหลายก็พากันเศร้าโศกโดยเฉพาะด้านบ้าน น, นินทร์ก็เศร้าโศกพุทธยาก็ปลอบประโมนะบอกว่ามันไม่ใช่ฐานนะบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงบา ร, รมีสิบมาเนี่ยบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณประกาศธรรมจักรเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยสารีระนั้นที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปนแล้วคือยกตัวอย่างบอกว่าตอนที่พุทธเจ้าจะปรินิพานนะว่าตอนที่พุทธเจ้าปรินตัดสรู้ใหม่ๆนะ ร리ลาตอนนั้นน่ะมันก็ดับไปแล้วเป็นไปหมดแล้วมันไม่มีอยู่แล้วตอนแสดงธรรมะจักก็หายวับไปแล้วไม่มีอยู่แล้วถ้าอย่างปัจจุบันนี้พวกเรามาคิดกันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมอ่าเช่นตอนที่พระเจ้าประสูติตอนที่เจา้าต ร, รัสรู้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะจักให้เป็นไปพระพุทธเจ้าทรงปรงประชนอายุสังขารที่ปาวาลาเจดีหรือพระพุทธเจ้าสเสด็จดับขนันธ์ดาวริญบานสังขารเหล่านั้นของพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่แล้ว หรือสังขารของท่านบ้านนท์ที่ร้องไห้หรือของพิสุส่งเนี่ยก็คลายไปเป็นธรรมดาสรีระของแม้ของปัตถาคตเนี่ยจะบอกว่าอย่าสลายไปเลยเนาะก็ไม่ใช่ฐานะคนร้องไห้ก็ตายผู้ขําครวนก็ตายไม่สามารถที่จะมีฐานะเช่นนั้นอยู่ได้นั้นถ้าหากเราไปเจอบุคคนใครเนี่ยเขากำลังเศร้าโศกเสียใจเขาร้องไห้อยู่แล้วก็ไปบอกเขายังไงบอกว่าอย่าร้องไห้เลยคนที่ร้องไห้ก็ตายใช่ไหม เ อ, อ้ยอย่าไปร้องไห้เลยการตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคุณที่ร้องไห้อยู่บุณก็ตายมันเป็นอย่างงี้รามดาบน้ำพระปูมีภาพเจ้าประทับนั่งอยู่บนอุปฐานสารานตัดเรียกภิกษุทั้งหลายบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเหล่าใดที่เราแสดงแล้วเพื่อความรู้ยิ่งทำเหล่านั้นพวกเธอจงเรียนและพึงส่องเสร็จพึงจเจริญแล้วก็ทําให้มากโดยที่พระมรร์นี้พึงยั่งยืนพึงดารงอยู่ได้นาน เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมที่เราแสดงเพื่อความรู้ยิ่งเป็นเชนไหนสติปฐาน 4, สี่ส ม, มปติฐานสี่อธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้า 5, พุทชงเจ็ดอริยมรรคบีองแปดอันนี้เขาเรียกว่าธรรมที่ควรรู้ยิ่งอารยสัจสี่ก็ควรรู้ยิ่งนะทกควรรู้ยิ่งโดยการกําหนดรู้สมุทัยก็ควรรู้ยิ่งโดยการละนิโรธก็ควรรู้ยิ่งโดยการทําให้แจ้ง มากควรรู้ยิ่งด้วยการจเจริญถ้าหากว่าสติปัฏฐานสี่กายานุปัสนาสติปัฏฐา น, ฐานควรรู้ยิ่งควรรู้ยิ่งยังไงด้วยการกําหนดรูใช่ไหมกำหนดรนดูอะไรอาณาปานาเป็นต้นเวทนาสัญญาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาก็เป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งสมประทานอิติบาทินรีพระโพชฌงค์อริมักก็ควรรู้ยิง่งทิกสูทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาขอเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมไม่ช้าจะถาคตจักปรินิพานจากนี้ล่วงไปสามเดือนตะถาคตจักปรินิพานแล้วได้ตรัสประพันธ์คาถาบอกว่าคนเหล่าใดทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งคนพานและบัณฑิตทั้งมั่งมีและขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า ในภาชนะดินที่ช่งหม้อทาทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุกทั้งดิบชนิดมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเพื่อมาพิจารณาตรงนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเด็กผู้ใหญ่จะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดจะเป็นคนจนหรือคนมั่งมีเนี่ยมีความตายเป็นเบื้องหน้าเหมือนกันหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่ามีลักษณะเหมือนกันใช่ไหมที่นั่งน่งกันอยู่เนี่ย แตกต่างกันโดยกรรมแตกต่างกันโดยฐานนะแตกต่างกันโดยสติปัญญาแตกต่างกันโดยสายพันแต่ว่าเหมือนกันโดยการตายเหมือนกันมีเบื้องหน้าจะต้องไปเข้าสู่ความตายเหมือนภาชนะดินนะที่ในช่างหม้อเาปั้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะหม้อบางใบก็เล็กบ้างใหญ่บ้างขนาดกลางบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างเส้ทรงดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยแต่ว่าหม้อดินทั้งหมดนั้นมี ความแตกเป็นที่สุดเหมือนกันหมดนั้นทั้งสุกทั้งดิบทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉะนั้นนะมีความตายเป็นที่สุดอย่างนั้นเหมืนอนกันเอ๊ฟฟังตรงนี้มันรู้ความจริงของชีวิตใช่ไหมอย่างนี้เรารู้มานานนี่นยังแต่รู้กับปรงกนละอย่างนั้นนะใช่ไหมรู้กับปรงเนี่ยเหมือนกันไม่คือบางทีเราก็รู้ว่าอทุกคนก็ตายแต่ความรู้สึกของเราเราจะมีความรู้สึกว่า เรายังไม่ตายใช่ไหมเราจะมีความรู้สึกนั้นพระพุทธเจ้า บ, บอกวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราเป็นของน้อยเราจักลาพวกเธอไปเราทําที่พึ่งแต่ตนแล้วในตรงนี้พระพุทธเจ้า บ, บอกว่าวัยของเราแก่งอมแล้วคือ พ, พระเจ้าแปดสิบแล้วถ้าหกสิบนี้เรียกว่าแก่งอมหรือยังชีวิตของเราเป็นของน้อยใช่ไหมที่เหลือน้อย เราจักรักพวกเธอเราทําที่พึ่งเกิตนที่พึ่งคืออะไรคือว่าทําที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วพระพุทธเจ้าเจริญกายาเวทนาจิตตาและธรรมมาบริบูรณ์เหมืนดูก่อนพิสูจทั้งหลายพวกเธอจงไม่ประมาทมีสติคําว่าไม่ประมาทมีสติคําเดียวนี้ก็คือกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตาและธรรมมาเป็นตนน้นต้องเจริญสติปัฏฐานมีศีลด้วยดีเถิด คำวมีศีลได้ดีก็คือว่ามีตาติโมกสังวรศีลอาชีวะปริสุทธิ์ออินเรียสังวรศีลอาชีวะปริสุทธิ์ศีลและปัจจยะสันสนิสตศีลจงเป็นผู้มีความดำริตั้งมั่นด้วยดีดำรินั้นเป็นชื่อของสัมมาสังกัปป์ดำริออกจากการมดำริออกจากการไม่พยาบามบอดดำริออกจากความพยาบาทแล้วก็ดำริออกจากการเบียดเบียน จงตามรักษาจิตของตนเถิดก็คือเจริญจิตตามนุปัสสนะผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในพระธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจกักรละชาติสงสารและทำที่สุดแห่งทุกได้เอาสิถ้าไม่ประมาทไม่ประมาทในที่นั้นเป็นชื่อของการเจริญสติบอกว่าจักไม่ละสติไปในกายอ่ะก็คือการเจริญสติทุกอิเดียบท้าใครทําได้อย่างนี้อะท่านผู้นั้นจกักละชาติสงสาร ก็คือจักรลักการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเปรตเป็นอาุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นกถ้าคนมีสตินะเป็นไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็แปลว่ามีสติทุกเมื่อทํำยากนะมีสติทุกเมื่อเนี่ยก็คือว่าการเจริญสติทุกอียาบทเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องทําง่ายๆนะต้องอบรมต้องขยันนั้นถ้าผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในพระธรรมวินัยเนี่ย ผู้นั้นถึงจะจะรักชาติสงสารทําที่สุดแห่งทุกได้ก็คือปลินิพานได้คําว่ายาที่ทางพระธรมจารยยังก็แปลว่าศาสนาพระมจ ร, รยิยที่ส่งข้อลงในสิกขาสามเนี่ก็คือศีลสมาธิปัญญาจตารโสติปัฏฐานาเป็นต้นก็คือว่าเจาริญสติปัฏฐานก็คือเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเจริญกายะไอ้นี่ในด้านของการจิตไอการไอเจริญสติปัฏฐานเคยพูดไปแล้วขั้นเวลาช้าพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมด้วยพระอนุน เข้าบินบาทยังกรุงเวสาลีภายหลังพัดและเสด็จกลับจากบิณทบาททอดพระเนตรกรุงเวสาลีเป็นนาคาวโลกแล้วตรัสกับท่านพระ อ, อนอนทว่าการเห็นกรุงเวสาลีของตถาคตครั้งนี้จักเป็นครั้งสุดท้ายมาเถิดอนอนท์เราจับไปยังบ้านพันธุกข์ลำดับนั้ น, น่พระผู้มีรภาค พ, พร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่เสด็จถึงบ้านพันทุกขม นาที่นั้นพระ อ, องค์ก็ตรัส ก, กับภิกษุทั้งหลายว่าเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทำสี่ประการเราและเธอจึงเที่ยวล่อนเล่เล่ล่อนตลอดกาลนานเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดศีลอันเป็นอริยะหนึ่งเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดสมาธิอันเป็นอริยะหนึ่งเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดปัญญาเป็นอริยเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดวิมุตติอันเป็นอริยะบัดนี้เรารู้แจ้งแทงตลอดทำสีกก่ประการนี้แล้วเพราะวัตหา เราถอนเสียแล้วตั้นหาอันนำไปสู่พบเราสิ้นแล้วแบบนี้พบใหม่ไม่มีคำว่านาคาวโรกิตังเป็นต้นก็แปลว่าเหมือนอย่างว่ากระดูกของมหาชนเอาปลายจดปลายตั้งอยู่เหมือนอัฐิของพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับเหมือนขอช้างชั้นใดอัฐิของพุทธเจ้าหาเหมือนเช่นนั้นไหมคือกระดูกของคนทั่วๆไปเนี่ยกระดูกคอเนี่ยมันหมุนได้ ใช่ไหมต่อกันก็เหมือนขอเกี่ยวกันอยู่เหมือนแต่ขอเกี่ยวกันอย่างเงี้ยข้อกระดูกแต่ละข้อแต่ละข้อขบเกี่ยวเกี่ยวกันอย่างเงี้ยฉะนั้นกระดูกของพวกเราเนี่ยเนี่ยอของคนทั่วไปของคนสามัญชนทั่วๆไปเนี่ยเช่นเราจะหันหลังกลับเราหันแต่คอได้ใช่ไหมหันได้อย่างเงี้ยเพราะกระดูกของเพราะพระเจกกับพระเจ้าของสาวกของใครทั่วๆไปเนี่ยก็เป็นขอเป็นขอเหมือนขอช้างมันเป็นข้อต่อสวมกันพอดีเงี้ย แต่กระดูกของพระพุทธเจ้าคืออัฐิของพระพุทธเจ้ า, ออจานะ่ะเป็นอันเดียวกันเป็นแท่งทองนะเหมือนกับแท่งทองอะ่ะเพราะฉะนั้นในเวลาเหลียวหลังจึงไม่สามารถเอี้ยวพระศอดได้ก็พยาช้างประสงค์จะเหลียวดูข้างหลังต้องเอี้ยวไปทั้งตัวแม้ฉันใดเพราะผู้มีพระเจ้าก็ต้องทรงเอี้ยวทั้งวรกายฉะนั้นเหมือนกันเขาบอกว่าคนถ้าเดิ น, ดนถ้ายืนอยู่นี่นะถ้าหันแต่คอมาเนี่ยดูไม่งา ดูไม่งามเนอะคอมันบิดได้ใะดูไม่งามแต่พระหมหาบุรุษพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาจะเอี่ยวดูอะไก็หันทั้งหันทั้งหมดเพราะว่ากรรมที่สร้างกระดูกคอของพุทธเจ้ากระดูกพระเนี่ยจะไม่เหมือนของเราท่านทั้งหลายพระองค์ประทับยืนที่ประตูพระนครก็ทรงเกิดความคิดว่าจะทอดพระเนตรกรุงเวสาลี แทนมหาปัจภีเหมือนจะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าบำเพ็ญบา ร, รมีมาหลายแสนโกดกับไม่ได้ทรงกระทำคือพระสอแลดูซึ่งเปรียบเสมือนล้อดินเนี่ยกระทำพระผู้มีพระภาคให้บ่ายพระพักมุ่งไปทางกรุงเวสาลีท่านหมายเอาข้อนั้นจึงได้กล่าวนาเขาโรกีตันก็ว่าการทัศนากรุงเวสารีไม่ใช่เป็นปัดฉิมทัศนาอย่างเดียวนะการทอดทัศนาแม้ในกรุงเวสารี กุงราชเชคคือแล้วก็นารันทาบ้านปาเตคาเบตเตอร์เหล่าเนี้ยทั้งหมดนะก็เป็นปัดฉิมทัศนะทั้งนั้นถามว่าทําไมจึงไม่เป็นการทอดทัศนาเป็นนาคาวโลกเป็นปัดฉิมทัศนะก็ต้องบอกว่าเพราะไม่อัศจรรย์อ่าทําไมจึงบอกว่าไม่อัศจรรย์เพราะพุทธเจ้าเนี่ยกลับมาเหลียวดูในที่นั้นข้อนั้นไม่ไม่น่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นจึงไม่เชื่อทรงเอี่ยวพราะวรกายดู เราลฤาษีเขาบอกว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้มีแนวความคิดอย่างเนี้เขาเรกว่ากรุงเวสาลีเนี่ยนะเกอถามบอกว่าพระกรุงพระองค์ก็ผ่านกรุงราชาคลือบ้านพันลูคามเวลูกคามโพคนครเป็นต้นเหล่าเนี้ยก็ทําไมไม่เรียกว่าเป็นการดูครั้งสุดท้ายแต่พอบอกเวสาลีนี่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นการดูครั้งสุดท้ายที่จริงก็คือมีไนยะอยู่ว่า เป็นการมองครั้งสุดท้ายของพุทธเจ้าเพราะต่อไปพุทธเจ้าจะไม่ได้กลับมามองอีกแล้วพรทธเจ้าจักปรินิพานแล้วจึงเรียกว่าเป็นปัจฉิ ม, มทัศนะแต่บอกว่าอีกต่อไปอีกสามปีข้างหน้าเวสาลีก็จะถูกพระเจ้าอาชาติสตูยึดครองต่อไปเวสาลีก็ไม่สิ้นชื่อฉะนั้นการดูเวสาลีก็จัดว่าเป็นการดูครั้งสุดท้ายนี่เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้นะีนี่เป็นนี้ทีนี้พระองค์ประทับยืนเนี่ย ที่ที่พระ อ, องค์ประทับยืนแล้วก็ดูเวสลีเป็นครั้งสุดท้ายนั้นน่ะต่อมาเนี่ยพวกเจ้าฤาวีก็สร้างเจดีย์ชื่อว่านาคาปโลกิตะเจดีย์ใกล้ประตูพระนครเหล่าเจ้าฤาวีจักบูชาเจดีย์นั้นด้วยของหอมดอกไม้เป็นต้นซึ่งเป็นประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานแก่เราท่านเหล่านั้นพระ อ, องค์จึงเอี่ยววรากายดูเพื่ออนุเคราะห์เจ้าฤาวีเหล่านั้นอันนี้อีประการหนึ่ง สรุปแล้วมีกี่ประเด็นเนี่ยสามประเด็นประเด็นแรกก็คือเป็นการดูครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะไปปรลิพิพานประการที่สองเมืองเวสาลีอีกต่อไปในภายข้างหน้าจะเป็นเมืองขึ้นของกรุงราชคฤห์ประการที่สามพระพุทธเจ้าเพื่อต้องการเยี่ยวและดูนั้นเพื่อจะให้เจ้าลิชวีนั้นสร้างเกียรติที่ตรงนั้นเพื่อจะได้เป็นที่สักการะบูชาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ เจ้าลชัชวีนี่เขาใจจางนั้น น, นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นการมองเวสาลีนั้นน่ะพระพุทธเจ้ามองเนี่ยไม่ใช่มองธรรมดาเนียเมื่อยืนประทับนิ่งอยู่นั้นน่ะพระองค์ก็อยู่ในสมาบัติเป็นต้นเหล่านั้นเพื่อจะอนุเคราะห์ว่าที่ตรงนั้นที่ประทับยืนตรงนั้นใครมาสักการะมาบูชามาถวายของหอมเป็นต้นเหล่านี้ก็จัดว่าเป็นเจดีแล้วก็จะได้สวรรค์ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วเป็นปัจจัยแก่นิพพานสมบัติ นี่เป็นไปลักษณะคนมีบุญเนี่ยทําอะไร ท, ที่ที่ดีไปทำเนี่ยเราไปสักการะไปบูชาก็ได้บุญใช่ไหมคันประทับไปตามพาะธยาศัยแล้วเนี่ยสเสด็จไปหมู่บ้านหาทีคามออกจากอัถิคามก็ไปอัมพคามชัมพุคามแล้วก็โพคณาครก็สเสด็จประทับณนะอานันตเจดีในโพคณาครนะั้นน่ยทรงแสดงมหาประเทศสีแก่ภิกษุทั้งหลายพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายข้อที่ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะประพักของพระผู้มีพรภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคําสอนของพระศาสดาพวกเธอไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านคํากล่าวของภิกษุนั้นขั้นไม่ชื่นชมไม่คัดค้านพึงเรียนบทพยัญชนะนั้นให้ดีแล้วก็สอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัย ถ้าสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยลงในพระสูตรไม่ได้เทียบเคียงในพระวินัยไม่ได้พึงถึงความตกลงในใจข้อนี้ว่านี้ไม่ใช่คําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นและภิกษุนั้นจํามาผิดแน่นอนพวกเธอพึงทิ้งคําคํากล่าวนั้นเสียถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในวินัยลงในพระสูตรได้เทียบเคียงในวินัยได้พึงถือถึงความตกลงในข้อนั้นว่านี้เป็นคําสอนของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น แลภิกษุนี้จํามาถูกต้องแล้วแน่นอนภิกษุนั้นพวกเธอพึงจํามหาประเทศข้อที่หนึ่งนี้ไว้อันนั้นคือข้อแรกนี่หลักเทียบเคียงนะประการที่สองดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าสงพร้อมด้วยพระเถระพร้อมทั้งปามโมกอยู่ในอาวาสน์เข้าพระเจ้าได้สดับได้รับมาเฉพาะหน้าของสงนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคําสอนของพระาศาสดาพวกเธอไม่พึงชื่นชม แล้วก็ไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของภิกษุนั้นขั้นไม่ชื่นชมไม่คัดค้านแล้วพึงเรียนบทพยัญชนะนั้นให้ดีสอบสวนในพระสูตรแล้วก็เทียบเคียงในพระวินยัยถ้าสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในวินยัยลงในพระสูตรไม่ได้เทียบเคียงในพระวินยัยไม่ได้พึงถึงความตกลงในใจข้อนี้ว่านี้ไม่ใช่คําสอนของพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นและภิกษุสองนั้นจํามาผิดแน่นอนดังนี้พวกเธอพึงทิ้งคํากล่าวนั้นเสีย ถ้าบทพยัญชนะเหล่านั้นสอบสวนในพระสูตรแล้วก็เทียบเคียงในพระวินัยลงในพระสูตรได้เทียบเคียงในวินัยได้พึงถึงความตกลงใจได้ว่านี้เป็นคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นและภิกษุสองนั้นจํามาถูกต้องแน่นอนแล้วแน่นอนภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงจำหมหาประเทศข้อที่สองนี้ไว้อันนี้เป็นข้อที่สองประการที่สามดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุเป็นพระเถระมากรูปในอวาจโน้น เป็นพหูสูตรมีอาคมอันมาถึงแล้วรู้จักคาว่าอาคมอาคมในที่นั้นเป็นชื่อของปริยัตไม่ใช่คาถาเนอะอาคมอาคม<อ>ากก็แปลว่าปริยัตเนี่ยถ้าอาทิคมเนี่ยแปลว่ามรรคผลเข้าถึงอาทิคมอันนี้แปลว่ามีอาคมก็แปลว่ามีปริยัตเช่นอย่างว่าเออไปหาพระรูปไหนแล้วท่านบอกคำสอนเนี่ยก็ มีอาคมมาถึงแล้วเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพระเจ้าได้สดับมาเจ้าะฟ้าเถระานั้นนี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคําสอนของภ า, าษาสดาบอกว่าพวกเธอไม่พึงชื่นชมไม่พึง shame, ค, คัดค้านคํากล่าวพิกสูจน์นั้นขันไม่ชื่นชมไม่คัดค้านให้เรียนบทพยัญชนะนั้นให้ดีจะเรียนให้ดีนะสอบสวนในพระสูตรแล้วก็เทียบเคียงลงในพระวินัยถ้าสอบสวนเทียบเคียงในพระวินัยถ้าลงในพระสูตรไม่ได้เทียบเคียงในพระวินัยไม่ได้ พึงถึงความตกลงในใจข้อนี้ว่านี้ไม่ได้ไม่ใช่คําสอนของพระเจ้าและพระเถระนั้นจํามาผิดอย่างแน่นอนถ้าพวกเธอพวกเธอก็ทิ้งคํากล่าวนั้นเสียถ้าบทพยัญชนะเหล่านั้นสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัยถ้าลงในพระสูตรได้เทียบเคียงในพระวินัยได้พึงถึงความตกลงใจในข้อนี้ว่านี้เป็นคําสอนของพระผู้วิภาเจ้าพระพองค์นั้นและพระเถระรูปนั้นจํามาถูกต้องแน่นอนและพิกษุนทั้งหลายพวกเธอ พึงทรงจำมหาประเทศข้อที่สามนี้ไว้ข้อสุดท้ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุเป็นพระเทละมากรูปอยู่ในวาดโน้นเป็นพระหูสุดมีอาคมมันมาถึงแล้วก็คือมีปริยัติเลียนจบพระตรวโดโลกว่างนันเดียเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกามาติกาแนะปลหัวข้ อ, ขอยกตัวอย่างเช่นจำบอกว่า เหตุปัจเจโยอารามนณปัจเจโยทิปติปัติโยนันดรปัจเจโยเป็นตัวเหล่านี้ยนี่พระที่สวดกันทุกวันนี้ก็เรียกทรงมัิกาสทงหัวข้อแต่ขยายได้นะถ้าขยายก็เหตุูเหตุตูสมยุตกานางธรรมนางตางสมุทฐานานันจะรูปานางเหตุปัจเจเนปัจเจโยอันนี้ก็เลยขยายมติกาศจริง้าพระเจ้าแต่สดับมาเฉพาะพระเถระเหล่านั้นนี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคําสอนของภาษาสดานี้ พวกเธอไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของภิกษุนั้นคั้นไม่ชื่นชมไม่คัดค้านแล้วพึงเรียนบทพยัญชนะให้ดีสอบสวนในระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัยถ้าบทพยัญชนะเหล่านั้นสอบสวนเทียบเคียงในระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัยลงในระสูตรไม่ได้เทียบเคียงในวินัยไม่ได้พึงถึงความตกลงใจในข้อนี้ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าพระองนั้นนี้เป็นคําสอน ถ้าหากว่ามาตอบสวนเบ็ดแสะลงกับพระสูตรได้เทียบเคียงกับพิไววินัยได้ก็รู้ทันทีนนี้เป็นคําสอนนี้เป็นของพระพุทธเจ้าก็จํามหาประเทศที่ข้อที่สี่คำว่ามหาประเทศเนี่ยก็แปลว่าในโอกาสใหญ่หรือข้ออ้างใหญ่อธิบายว่าเหตุใหญ่ที่ท่านอ้างอ้างผู้ใหญ่เช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นคําว่าพยานชนะก็คือว่าบทนั่นเน่ยสาธุกางอุคเหตวาได้แก่ ถือเอาด้วยดีท่านกล่าวบาลีไว้ในที่นี้ความว่ากล่าวเบื้องต้นและเบื้องตลายไว้ในที่นี้ท่านให้สอบสวนในพระสูตรแล้วก็เทียบเคียงในพระวินยัยที่เชื่อว่าพระสูตรได้แก่พระวินยัยเหมือนกันที่ท่านว่าห้ามไว้ในที่ไหนห้ามไว้ในเมืองสาวถีห้ามไว้ในสุดตะวิพังสุดในที่นี้หมายถึงวินยัยคําว่าพระสูตรเนี่ยคําว่าสุดตะเนี่ยบางแห่งก็แปลว่าพระวินัยก็ได้ เช่นในคําว่าสุดตวิพังสุดตาวิทังหมายถึงพระวินัยที่ชื่อว่าวินัยได้แก่ขันธกะเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าโกสัมพิยังวิณญาติสาเรเรื่องละเมิดพระวินัยเนี่ยก็คืออยู่ในขันธกะในเมืองโกสัมปีเมื่อเป็นเช่นนี้เชื่อว่าไม่ยึดถือพระวินยัยพิดดวเชื่อว่ายึดถือพระวินัยอย่างนี้คือว่าอุปโตวิพังเชื่อว่าพระสูตรขันธปริวาน ชื่อว่าพระวินยัยอีกในหนึ่งก็คือว่าปิดกทั้งสองอย่างสุตตันตปิดกชื่อว่าพระสูตรพระวินัยก็ชื่อว่าพระวินัยนั่นเองปิดกทั้งสามชื่อว่าสุตตันตปิดกอภิธรรมปิดกชื่อว่าพระสูตรวินัยก็ชื่อว่าวินัยนั้นการอ้างก็คืออ้างทั้งพระสูตรอ้างทั้งพระวินัยอ้างทั้งพระภิธรรมนั่นเองอันนี้เป็นหลักอ้างนะเขาเรียกมหาประเทศก็เป็นข้ออ้างนี้ท่านก็กล่าวในเรื่องของอคาถากขาไว้บอกว่า คาถาวิชายมหาประเทศเหล่านั้นกล่าวไว้ในอรรถาถาพระวินัยในสมันต์แล้วท่านก็พูดถึงปัญหาเขาไว้บอกเอกังทรัพยากรวิพัฒชทพยากรปฏิปุชทรพยากรถัปนิยพยากรในปัญหาสี่อย่างเหล่านี้ยมีอยู่สี่วิธีถูกถามว่าจากักถ้าถามบอกว่าจักสุเนี่ยไม่เที่ยงหรือต้องพยากรโดยส่วนเดียวว่าเที่ยงถ้าก็ถามบอกว่าตาเนี่ยไม่เที่ยงหรือ แล้วบอกว่าตาเนี่ยเที่ยงอันนี้เป็นเอกังสาวพยากรต้องตอบด้วยส่วนเดียวเลยนะว่าตาเนี่ยตาเนี่ยไม่เที่ยงถ้าถามว่าจักสุหรือชื่อว่าไม่เที่ยงจักสุหรือชื่อว่าไม่เที่ยงอันนี้ต้องแจกแจงตอบว่าไม่ใช่จักสุเท่านั้นเที่ยวไม่เที่ยงโสตา ก, ก็ไม่เที่ยงคานะก็ไม่เที่ยงไหมตาหูจมูกถ้าเกิดคาถามเนี่ยถ้าถามบอกว่าถ้าถามบอกว่าจักสุไม่เที่ยงหรือก็บอกว่าตอบด้วยส่วนเดียวว่า ใช่จักกุไม่เที่ยงถ้าถามว่าจักจักสูคือตาเท่านั้นหรือที่ไม่เที่ยงอันนี้ต้องตอบแบบวิพัชนาแล้วไม่ใช่ตาเท่านั้นหรอกหูก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ไม่เที่ยงอันนี้เป็นวิพัชนพยากรตอบโดยการแยกแยะถูกถามว่าจักสูชั้นใดโสตาก็ชั้นนั้นโสตัชั้นใดจักสูก็ชั้นนั้นเป็นต้นอันนี้ต้องย้อนถามบอกว่าถามว่าเพราะ เพราะอาถทว่าเห็นจึงพยากรว่าไม่ใช่เมื่อเขาตอบบอกว่าอาถทว่าไม่เที่ยงจึงตอบว่าใช่นี่เป็นปฏิปุชาพยากรตอบโดยการถามกลับถ้าถูกถามบอกว่านั่นก็ชีวานั่นก็สรีละเป็นต้นค่อยหยุดเสียข้อนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณปัญหานี้ไม่พึงพยากรณให้นิ่งถ้าเขาถามบอกว่าถามบอกว่าโลกเที่ยงหรือไม่โลกสรีละก็อันนั้น เป็นต้นเหล่านี้ถามถามในเรื่องของชีวะบ้างถามเรื่องสรีระชีพก็อันนั้นสรีระก็ น, นั้นชีพก็อย่างอื่นสรีระก็อย่างอื่นเป็นต้นเนี่ยปัญหาลักษณะนี้เป็นปัญหาที่ไม่ควรตอบนี่นี่เป็นไปลักษณะนี้อันนี้ท่านเป็นอัตกถาท่านขยายเนี่ยออในปิดกทั้งสามเนี่ยนีย่ก็คือว่าพระไตรปีดกทั้งอภิธรรมปิดอกพระวินัยปีดกพระสุตตันตปิดอกเนี่ย ถ้าบอกว่าในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนสมัยที่สังคีติเนี่ยปัญจาสติสังคีติสังคายนาครั้งที่หนึ่งมีภิกษุประชุมกันห้าร้อยลูกสัตสตะสติสังคีติครั้งที่สองก็ภิกษุประชุมกันก็เจ็ดร้อยลูกสังคายนาครั้งที่สามก็หนึ่งพันลูกนั้นในสังคีติทั้งสามนั้นน่ยควรถือเอาเป็นประมาณนอกนั้นเป็นที่ท่านทํานิไม่ควรถือเอาเขา บ, บทพยัญชนะเนี่ยนะ เขาบอกว่าพระธรรมวินัยของพระพุทธิภากเจ้าเนี่ยสมัยก่อนก็เก่าเพียงแค่ว่าเป็นพระธรรมและวินัยพออยู่ต่อมาพอมาทําพระธรรมสังขยาาเนี่ยก็มามีการแยกออกมาเป็นพระไตรปิฎกดังที่เราศึกษากันเมื่อพระพุทธมิภาคเจ้าประทับอยู่ที่โพคันครตามสมควรแล้วเนี่ยเสด็จพร้อมด้วยภิกษุสองหมู่ใหญ่ไปที่ปาวันนครเสด็จประทับณอําพวันสวนมะม่วงของนายจุนทกัมมลบุตรในเมืองปาวันนะ ที่นี้นายจุนท้ากรรมระบุตรเนี่ยได้สดับว่าพระผู้มีพรภาคเจ้าประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของเราจรึงเข้าไปเฝ้าซึ่งพระองค์ทรงสแสดงทำให้เขาเห็นแจ้งสมาทานอาถรรพ์ลึกลงนในธรรมนายจุนท้ากรรมระบุตรได้กราบทูลให้พระองค์และภิกษุสงฆ์ทราบเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้ในนิเวศของตนพระพุทธเจ้าก็ทรงรับโดยดุสเดียภาพคั้นเวลาเช้า พระผู้เผยพเจ้าเนี่ยนะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ก็เข้าไปนิเวศของนายจุนท้าก็มาบุตรตรัสกับนายจุนท้าว่าท่านจงอังฆาตเราด้วยสุกรมัทธะที่ตระเตรียมเข้าไว้จงอังฆาตภิกษุสงฆ์ด้วยของเคี้ยวของฉันอย่างอื่นที่ท่านตระเตรียมไว้นายจุนท้าได้ปฏิบัติตามนั้นเมื่อเสวยเสร็จแล้วรับสั่งกับนายจุนท้าว่าท่านจงฝังสุกรมัทธะที่เหลือเสียในหลุม เรายังไม่เห็นบุคคลใดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์และพร้อมทั้งสมณพราหม์เทวดาและมนุษย์ซึ่งบริโภคสุกรมัทธวะนั้นแล้วจะพึงย่อมทำไปด้วยดีนอกจากฐาคตนายจุนท้าได้ฝังส่วนที่เหลือในหลุมแล้วเมื่อทรงนายจุนยังนายจุนท้าให้เห็นแจ้งเรื่อนเลงในธรรมแล้วสเสด็จลุกจากอาสนะลีไปลำดับนั้น เมื่อพระผู้มีพระเจ้าสเสวยพระทหารของนายจุนท่ากมลบุตรเกิดอาพาธอย่างแรงกล้าทรงมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาเหล่านั้นไว้ไม่ให้ทรงทร่นพรึงรับสั่งกับผ้าอ น, นว่ามาเถิดเราจะไปยังกรุงกุศินารามลำดับนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงหลีกออกจากทางสเสด็จไปยังโคนต้นไม้ต้นหนึ่งตรัสให้พระอนนัปูผ้าสังฆติพับเป็นสี่ชั้น ประทับนั่งจากนั้นก็รับสั่งให้พระนนท์นำน้ำมาให้ดื่มพระพระองค์ก็หายจากดื่มพระนนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อกี้เนี่ยเกลียห้าร้อยเล่มข้ามไปน้ำนั้นมีน้อยถูกล้อเวลียนบดขุนมัวไปอยู่มีแม่น้ำกากุทานาทีอยู่ไม่ไกลมีน้ำใสจืดเจนขาวมีท่าเรียบหน้าเรื่นลมพระองค์ทรงดื่มน้าและทรงสวั พระทรงสงฆ์ระวรกายในแม่น้ํานั้นพระผู้วิภาคเจ้าตรัสให้พระนนไปนําน้ําถึงสองครั้งแต่ถูกพระนนทูลทัดทานไว้ให้รอเพราะท่านจะนําน้ําจากแม่น้ํากกุทานาทีมาจนครั้งที่สามพระนนจึงถือบาตรไปยังแม่น้ําน้อยนั้นครั้นนั้นน้ํำในแม่น้ําที่ถูกล้อเวียนบทคุณเมื่อพระนนเข้าไปใกล้น้ํากลับใสสะอาดไม่ขุ่นมัวพระนนได้มีความดําหลีว่าน่าอัศจรรย์หนอ เหตุไม่เคยมีก็มีมาแล้วความที่ตถาคตมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากความจริงน้ำนี้มีน้ำน้อยถูกลอกเียนบทคุณเราเข้าไปใกล้กับใสสะอาดไม่คุณมัวนำน้ำไปกราบทูลถึงความอัศจรรย์นี้พระผู้มีภาคได้ทรงดื่มน้ำนั้นแล้วตรงนี้ก็คือพอดีมันใกล้จะหมดเวลาก็จะเล่าคร่าวๆตรงนี้ไว้นิดนึงนะว่า คำว่ากรรมมาและปุตรปัสสะได้แก่บุตรของนายช่างทองเขาเล่ากันบอกว่าบุตรของนายช่างทองนั้นเป็นกระดุมพีใหญ่ผู้มีความมั่นคงพ่อของนายจุนท้าเนี่ยเป็นพระโสดาบันพอเห็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกก็สร้างวัดในสวนมะม่วงของตนถวายไอ้คำว่าสุกรมัมทวะเนี่ยได้แก่ประวัติตมังศัตว์ของสุกรที่ใหญ่ที่สุดตัวหนึ่ง ไม่หนุ่มนักไม่แก่นักในว่าประวัติมังสะนั้นน่ะหนุ่มสนิทให้จัดว่าเป็นประวัติมังสะทําให้ศุกร์หนึ่ ง, งคือเนื้อหมูตรงนี้เดี๋ยวเขาจะไปวินิจฉัยกันอีกเยอะนะเอาไวอา้อาอทิตย์น่ะมีการวินิจฉัยกันน่าจะหกเจ็ดอย่างว่าไอ้สุกรมาธวะที่พทธเจ้าทรงสวยเนี่ยแล้วก็ทรงป่วยเนี่ยอะเป็นเนื้อแหละแล้วต่อมาพระเจ้าก็อ า, าพาธเนี่ยแล้วก็เกิดความอัศจรรย์ดังได้ ก, กลา่าววันนี้ก็หมดเวลา เดี๋ยวเจริญกรรมฐ า, านมีใครจะถามปัญหาอะไรไหมนั่นเดี๋ยวเจริญกรรมฐ า, านกันสัเล็กน้อย